ขอกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเทลานุเทละที่เคารพทั้งหลายและขอเจริญพรมายังญาติโยมชาวพุทธที่ใข้ต่อทมทั้งหลายวันนี้ได้มีโอกาสมาแสดงธรรมที่รรมพาจม ในหัวข้อเรื่องที่ว่าสัมมาทิฏฐิและหน้าที่ของชาวพุทธอขอให้ท่านทั้งหลายจงดั่งใจฟังเพื่อจะนำอาอกไปพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดสติปัญญ า, าประดับสติปัญญาต่อไปสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิก็คำพูดก็ตายตัวอยู่แล้วแลละสัมมาแปลว่าถูกต้องแปลว่าชอบทิฏฐิแปลว่าความเห็นแปลใสกันก็ว่าความเห็นชอบความเห็นตรงความเห็นถูกต้องหรือเรียกง่ายๆปัญญาเนี่ยนะปัญญาปัญญาในธรรม คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญาในธรรมมันลึกมากนะธรรมนะปัญญารูธรรมเห็นธรรมธรรมมันมีขั้นอยากขั้นกลางขั้นละเอียดมันจึงลึกไปเรื่อยๆนะอ่าที่นี่สัมมาทิฏฐินี่ก็ความเห็นแปว่าความเห็น ความเห็นชอบเห็นตรงเห็นถูกต้องเคยเห็นคือปัญญานะเห็นอริยสัจสี่ซึ่งเราเราทันทั้งหลายผู้นั่นก็เคยอ่านเคยฟังมาเห็นอริยสัจสี่นะคือทุกสมุทยัยนิโรธมักนะเห็นอริยสัจสี่า ลองลงมานั่นก่อนเห็นกุศลรู้จักปัญญารู้จักบุญจักกุศลกุศลก็คืออากุศลอกุศลมูลนั่นแหละกุศลกุศลมูลนั่นแหละปัญญาปัญญา ลองขึ้นต่อไปอีกก็คือเห็นไตรลักษณ์ญาณรู้จักนอไตรลักษณ์านไตรลักแปลว่าลักษณะสามญาณแปลว่ารูู้สามอย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตาสุดท้ายก็ไปรู้ปฏิจจสมุปบาทปฏิชนสมุปบาทนี่คือ ปัญญาเห็ น, นรำรธรรมะอองอาศัยกันเกิดเป็นของลึกลงไปอีกนะลึกลงไปอีกสัมมาทิฏฐินี่ความเห็นเบื้องต้นก็เห็นรู้จักบาปบุญคุณโทษนะคือรู้จักอะกุศลอะกุศลมูลคงเคยได้ยินดู อกุศลอกุศลมูลหรือกุศลกุศลมูลก็หมายถึงกุศลกรร ม, มบทสิบกุศลกรร ม, มบทสิบท่านก็ยกเอากุศลกรร ม, มบท1ิบนี่แหละมาแสดงไว้คือกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนโกรรมสาม กายกรรมสามหมายถึงไม่ให้เอาอทางไม่ให้เอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมไหวจีกรรมสีไม่ให้เอาวาวจาไปพูดปดพูดสอเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อเลวไหลไหลสระมโนโกรรมสาม คือไม่โลภอยากได้ของเขาไม่อิจฉาพยาบาทบุคคลอื่นสัตว์อื่นเห็นถูกต้องเป็นผู้มีสัมมาทิฐินี่แหละอันสัมมาทิฏฐินี่แหละขั้นตนสัมมาทิฏฐิเคยเห็นชอบตามทํานองของธรรมเคยเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงเราก็จะไม่กล้าไปทําบาปในที่ลับที่แย่ง อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นตรงความเห็นถูกต้องนะเป็นการปิดบาปอย่างหยับหยบนะสัมมาทิฏฐินี่มันก็คู่กันยังมีอีกนะมีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดความเห็นไม่ถูกต้องนะั่นแหละตรงกับสัมมาทิฏฐิเคยเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาบ บุญไม่มีผลบาปไม่มีผลตายไปแล้วไม่ได้เกิดคุณของบิดามันดาไม่มีสมณพามผู้ปฏิบดีปฏิบัติชอบรู้กแจ้งซึ่งโลกนี้โลกหน้าไม่มีอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมันก็เป็นคู่กันกับมิจฉาทิฏฐิถ้าใครละมิจฉาทิฏฐิได้สัมมาทิฏฐิก็เกิด ถ้าใครมีสัมมาทิฏฐิอยู่มิจฉาทิฏฐิก็เกิดไม่ได้มันเป็นของร่วกันถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เรื่อยลําไปในกุศลโมลอกุศลมูลนี่ท่านก็แสดงไว้ให้รู้จักบาปรู้จักบุญนี่นะฮะรู้จักบุญรู้จักบาป ไม่ให้ไปทําบาปในที่ลับที่แจ้งท่านก็แสดงไว้อย่างนี้นะในกุศลมูลอกุศลมูลนีนะ่ของพอเข้าใจเป็นความเห็นเบื้องต้นเป็นสิ่งที่นำให้เราเข้าไปถึงธรรมสึงพัะสัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะเบื้องต้นนะ อันนี้ก็เรียกว่ า, าสมาทิเบื้องต้นต่อไปความเห็นอันที่สวงก็เห็นใจรักญาณเห็นใจรักญาณเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าใครเห็นเห็นอะไรเห็นขันห้าเห็นรูปนามขันห้านี่ละเห็นรูปเวทนาสัญญาสัสญญาสังขารวิญญาณนี่ตกอยู่ใต้ กฎธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าใครมีความเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีความเห็นตรงความเห็นถูกต้องเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ไปเห็นนั่นล่ะเห็นอายตนะอายตนะคืออะไรละ่ะอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลินล่นรสโผฏฐพะธรรมลม อายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละว่ามันกระทบกันเกิดความรู้ขึ้นแล้วก็ดับเห็นเกิดเห็นดับเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในใจรักยานเหตุเพียงเท่านี้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องนะความเห็นอันสุดท้ายก็คือเห็น <c oughs> ปฏิจจสมุทบาทธรรมที่อาศัยกันเกิดธรรมะที่อิงอาศัยกันเกิดเราก็ฟังยากเหมือนกันนะธรรมะคืออะไรมันอาศัยกันเกิดได้ยังไงกาบพูดสรุปย่อยๆให้ฟังคือธรรมะชาติธรรมะชาติอาศัยกันเกิดธรรมะในที่นี่ก็ คือกายคือลูกธรรมลูกธรรมนามธรรมอาศัยกันเกิดเป็นกระแสปฏิจจสมุปบาทลูกธรรมทำไมถึงว่ารูปธรรมนั่งอยู่นี่ลูกธรรมไม่อยู่ที่อื่นหรอกรูกธรรมก็คือกายนี่นะกายก็คือลูก ลูกก็แยกลูกของเราเนี่ประกอบด้วยธาตุสีกาวคือดินน้ําลมไฟมาประชุมกันท่านเรียกว่ารูปธรรมทำไมเรียกว่ารูปธรรมรูปธรรมก็คือธาตุทั้งสี่มาประชุมกันธาตุก็คือธรรมชาติอันหนึง่งธาตุดินคือธรรมชาติอันหนึง่งธาตุน้ําก็เป็นธรรมชาติอันหนึง่ง ธาตลมธาตุไฟมาประชุมกันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งมาประชุมกันเขาตั้งชื่อสมมติว่ากายสมมติว่ารูปรูปนี่คือธรรมชาติมารวมกันเขาเลยเรียกว่ารูปธรรมพอนึกออกไหมรูปธรรมส่วนวิญญาณธาตุวิญญาณก็เป็นธรรมชาติอัน น, นคือใจนั่นแหละวิญญาณก็คือใจ ใจหรือวิญญาณนี่เรียกว่านามธรรมเป็นชื่อของธรรมชาติไม่มีเจ้าของไม่มีตัวตวสรรสรรนสัตว์บุคคลไม่มีเจ้าของมารวมกันเป็นเขาจึงเรียกว่าลูกใจเขาเรียกว่านามเรียกว่าลูกว่านามลูกธรรมนามธรรมอิงอาศัยกันเกิดมันเกิดมันอาศัยกันยังไงทีนี้ มันมันยังมาเกิดเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาได้มันมาอยู่ตรงนี้แหละสุดท้ายเรียกว่าทรรมอาศัยกันเกิดธรรมะอาศัยกันเกิดธรรมชาติคือลูกกับนามกายกับใจคือขันห้ายิงอาศัยกันเกิดนี่เขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเป็นธรรมอันละเอียดยากที่เราท่านจะเข้าถึงต้องนำไปไขควรพิจารณาดูทีนี้จะชี้ให้เห็นว่ามันเกิดได้ยังไง ร, รูปธรรมนามธรรมนี่เขาเรียกว่าขันห้าขันห้ามันเกิดเกิดแล้วก็ดับมันเกิดได้ยังไงนอาฟังต่อไปว่าขันห้ามันจะเกิดได้ยังไง รูปธรรมนามธรรมมันอาศัยอย่างไงรูปธรรมก็คือกายนามธรรมก็คือใจในก้อนสกลกายนี่แหละจะมีตาหูจมูกลิ้นกายของเรารวมกันอยู่ใช่ไหมฮะรูปธรรมนี่ก็ประกอบด้วยตาหู จะหมูกลิ้นกายประกอบกันอยู่รนะูปธรรมมีใจด้วยค่ะใช้วัตถุด้วยประกอบกันอยู่จึงเรียกว่ารูปธรรมมีมีเป็นธรรมชาติธรรมชาติมีเจ้าของไหล่ะธรรมชาติเหรอไม่มีเจ้าของนะธรรมชาติดินน้ําลมไฟไม่มีเจ้าของตาหัวจะหมูกลิ้นกายเนี่ยมีเจ้าของไหม ไม่มีแต่เวลามันกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโอพภะธรรมลมภายนอกมันจะโทรศัพท์ไปบอกกันส่งไปบอกกันใจเข้าใจไหมกายกับใจตาหูจมูกลิ้นสงขอเรียกว่ารูปใจเรียกว่านามพอมันกระทบกับรูปภายนอกส่งไปบอกใจ วิญญาณ น, น้อมออกรับอารมณ์ก็เรียกว่าเกิดเรียกว่าขันห้าเกิดอิงอาศัยกันเกิดรูป ก, กบนาําอิงอาศัยกันเกิดใช่ไหมเกิดเห็นตารกระทบกับรูปวิญญาณรู้ขึ้นคอรู้ว่าเราเห็นอันนั้นเห็นอันนี้ก็เรียกว่าเกิด อิงอาศัยกันเกิดอย่างนี้รูปนามอิงอาศัยกันเกิดพอเข้าใจอาศัยกันเกิดไหมมันมีเท่านี้แหละสุดท้ายมันมีอย่างนี้นะรูปทำนามทำอิงอาศัยกันเกิดหูได้ยินเสียงหูก็คือรูปภายในเมื่อกระทบกับเสียงความรู้เกิดขึ้นก็เรียกว่าได้ยินเสียงนั้นเสียงนี้ก็เรียกว่ารูปกับนาม อิงอาศัยกันเกิดหรือเรียกว่าขันห้าเกิดได้ไหมเนี่ยฮะนี่แหละขันห้าเกิดก็ว่าโลกเกิดก็ว่าดินน้าลมไฟอากาศเป็นที่ตั้งของวิญญาณวิญญาณคือสัตว์โลกดินน้าลมไฟอากาศคือโอกาสโลกเป็นที่ตั้งของอสัตว์โลกสัตว์โลกมาอาศัยอยู่ในนี้ เมื่อมันทํางานร่วมกันก็เรียกว่าโลกเกิดเข้าใจโลกไหมล่ะโลกดินน้ําลมไฟอากาศสงเคราะห์เข้ากันเรียกว่าโอกาสโลกวิญญาณเรียกว่าสัตว์โลกสัตว์โลกลงมาอาศัยในโอกาสโลกโลกเป็นที่อาศัยที่อยู่อาศัยของสัตว์โลกสนานก้อนสกุลกายเหล่านี้ จึงสงเคราะ ห, ห์เรียกว่าโลกเข้าใจไหมเรียกว่าโลกเรียกว่าเรียกว่าขันห้าได้ไหมฮะก็เรียกว่าโลกเรียกว่าขันห้านี่แหละมันเกิดใช่ไหมการเทีดอันนี้เป็นข้อสุดท้ายนะทีนี้จะพูดไปถึงเรื่องอริยสัจสี่ มันก็ประกอบกันกับอันนี้แหละจึงอธิบายอันนี้มาเรื่อยๆนะอริยสัจสี่คือทุกขสมุทยัยนิโรธมักคาจากัดความหลักของอเนี่ยคืออริยสัจสี่นะรู้อริยสัจสี่เราก็ได้ยินแต่ว่าอริยสัจสี่สัมมาทิฏฐิคำจำกัดความ ใหญ่ๆกร็รู้รู้อริยสัจสีใช่ไหมเคยได้ยินมารู้อริยสัจสี่รู้ยังไงอริยสัจสีอริยะคือประเสริฐสิ่งประเสริฐสัจจะคือความจริงความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเรียกว่าอริยสัจ มีสี่อย่างจึงเรียกว่าอริยสัจสี่สัมมาทิฏฐินิปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมปัญญาลู่ธรรมปัญญาลู่อริยสัจสี่เห็นอริยสัจสี่ทีนี้อริยสัจสีคือยังไงทีนี้ตั้งใจฟังอริยสัจสี่อประกอบกับปฏิจจสมบาทด้วยนะมันประกอบกันอยู่ อาริยสัตสีนี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคำว่าทุกข์คือยังไงทีนี้เห็นทุกข์ว่าย ง, งั้นรู้จักทุกข์เราก็ท่องเอาเพื่อไปเรียนไปสอบไปปฏิบัติเราไม่เคยน้อมเอามาพิจารณาว่าทุกข์ทุกข์นั่นคืออะไร ทุกที่พระพุทธองค์ <c oughs> สแสดงอยู่ในธรรมจักก็คือเกิดแก่เก็บตายว่าโดยย่อขันห้านั่นแหละคือทุกว่าโดยย่อ อ, อุปทานขันห้านั่นแหละคือทุกสแสดงว่าขันห้าสแสดงว่าอุปทานอุปทานนั่นแหละคือทุก ขันห้ามันก็มีอยู่อย่างนี้แหล ะ, ะแยกพูดแยกอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายนะขันห้าก็คือลูกเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณใครไปอุปทานเอารูป ก, ก็ทุกอุปทานเอาขันใดขันหนึ่งก็ทุกตัวพี่อุปทานนั่นแหะคือตัวทุกขตัวขันห้ามันก็มีอยู่คือเก่ามันไม่ทุกไม่เดือดร้อนอะไร เข้าใจไหมล่ะทำไมถึงไปอุปบทานก็เพราะหลงเพราะหลงเพราะรู้ไม่จริงนั่นแหละจึงไปอุปทานเอาอ่านี่แหละเป็นเหตุแห่งทุกเหตุเ ก, เกิดทุกขก็เพราะว่าโดยย่ออุปบทานขันหานนั่นแหละคือทุกนะทุกอันนี้พระพุทธองค์ก็แสดงไว้ในธรรมจักแต่เวลาเราปฏิบัติ เราต้องมาอยู่ทุกปัจจุบันปัจจุบันนี่ให้เห็นทุกในปัจจุบันดับทุกในปัจจุบันได้ทุกภายหน้าก็ไม่มีทุกทั้งหลายย่นย่อลงมาเหลืออยู่กายกับใจทุกทั้งหลายภาษาอีสานก็าว่าทุกทั้งหลายย่นย่อลงมาเหลือขันหา หยับลงมาอยู่น้ำสีทุกอยู่ในโลกนี้มาโ้มคอยพืดเดียวแปลว่ายังไงนะทุกทั้งหลายย่อนย่อลงมาเหลืออยู่ขันห้าทุกทั้งหมดย่อลงมาอยู่ห้าอย่างเท่านั้นอุปทานขันห้าอย่างใดอย่างย่อลงมาอยู่น้ำสีย่อลงมาอยู่ใจดวงเดียว คือตัวผู้อุปทานตัวเดียวเป็นตัวทุกขันห้ามันก็มีอยู่เป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนี้อาทีนี้ย่อลงมาใจคำว่าทุกข์ทำไมถึงเรียกว่าทุกข์อันนี้จะซีงให้เห็นทุกข์นะทุกข์ในการปฏิบัตินะทุกข์อันทุกข์อันเกิดแก็เจ็บตายมันก็ทุกข์เหมือนกัน อันนี้เราจะพูดถึงเกิดตอนนี้ทุกตอนนี้น ะ, ะทุกหมายถึงว่าขันห้าเกิดดับนี่แหละทุกทุกย่อลงมาอยู่ขันห้าคือกายกับใจรูป ก, กับนามก็อย่างแสดงให้ฟังเมื่อกี้นี่แลววะว่าในกายนี่มันจะ มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ในนี้เขาเรียกว่าลูกภายในตัใหญมล่ะลูกภายในส่วนลูกภายนอกก็คือลูกเสียงกลิ่นรสผดพทพะธรรมลมเมื่ออายตนะก็อว่ามันกันอายตนะภายนอกภายในกระทบกันวิญญาณรู้ขึ้น เรียกว่าขันห้าเกิดหรือโลกเกิดเกิดแล้วก็ดับนี่แหละมันเกิดมันดับเรียกว่ากายกับใจร่วมกันทำงานทำงานแล้วมันก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ตายเคยเห็นไหมะ่ะตายเห็นรูปเกิดแล้วดับไหมฮะตายเห็นรูปมันดับไหมหูได้ยินเสียงดับไหม นี่แหละเห็นกิดเห็นดับสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์นะเราไม่รู้จักเราก็เลยไปยึดไปอุปทานเอาขันห้าพ่อเขาใหญ่ไหมขันห้าอายตนะก็เรียกว่าขันห้าตาหูจมูกลิ้นกายใหญก็เรียกว่าขันห้า มันเกิดกับดับพร้อมอยู่อย่างนี้เมื่อใครไปหลงหลงขันห้าหลงว่าไงหลงว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเดี๋ยวนี่นี่แหละสมัมมาทิฐิมิจฉาทิฐิความเห็นผิดหลงว่าขันห้านี่แหละคือสัตบุคคลตัวตนเราเขาท่านเรียกว่ามิจฉาทิฐิ เข้าใจไม่มิจฉาแปลว่าความเห็นผิดอ่ามันเริ่มจากนี่แหละสมาธิมิจฉาทิฏฐิขั้นกลางๆก็เริ่มจากนี่ขั้นละเอียดก็อยู่นี่เอาฟังต่อไปว่าเออมันมันมันไปหลงยังไงนะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงให้เราเข้าสมาธินั่งสมาธิเพื่อพักกิจ หยุดจิตไม่ให้จิตทำงานได้สมาธิแล้วพอเอาจิตไปใช้งานไปพิจารณาดูก่อนสะกลกายให้รู้เห็นตามความเป็นจริงแต่ก่อนเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นว่าขันห้าเป็นตนตนเป็นขันห้าขันห้ามีในตนตนมีอยู่ในขันห้าใช่ไหมล่ะเนี่ยเห็นว่าขันห้าเป็นเราเราเป็นขันห้าขันห้ามีอยู่ในเราเรามีอยู่ในขันห้า ความเห็นนี่แหะท่านเรียกว่าสั ก, กายทิฏฐิเคยได้ยินไหมสักายทิฏฐินะสกายทิฏฐิความเห็นว่าขันห้าเป็นตนตนเป็นขันห้าขันห้ามีในตนตนมีในขันห้าหรือเห็นขันห้าเป็นเราเราเป็นขันห้าขันห้ามีอยู่เราเรามีอยู่ในขันห้าความเห็นสี่อย่าง <c oughs> ความเห็นมีอยู่สี่อย่างขันมีอยู่ห้าขันห้าสี่ยี่สิบความเห็นยี่สิบอย่างนี้พระพุทธองค์ตัดว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดเป็นความเห็นผิดเป็นความเห็นวิปริตวิปราชคพร่เคลื่อนจากความเป็นจริงฉะนั้นเมื่อเข้าสมาธิออกสมาธิแล้วจึง เอาปัญญาเอาปัญญาที่เอาจิตออกจากสมาธิใหม่ๆนีนะ่มาเดินปัญญาพิจารณาดูก้อนสะกลกายของเราเนี่ละประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณจะมาละมิจฉาทิฏฐิ น, นั่นเนี่ยละความเห็นผิดเริ่มต้นที่แรกเอามาถอด กายออกมาดูอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละกายประกอบด้วยอะไรละ่ะธาตุสี่กาวคือดินน้ำลมไฟคำว่าธาตุเราก็ต้องมาอธิบายให้ใจเราฟังอีกธาตุคืออะไรธาตุคือมูลเก่าของเดิมเกิดตั้งแต่พร้อมโลกดินน้ำลมไฟอ่ะเกิดตั้งแต่พร้อมโลกต้องมาเข้าใจอันนี้ซะก่อน ฉะนั้นดินน้ำลมไฟก็คือธรรมชาติอันหนึ่งดินก็คือธรรมชาติน้ำลมไฟก็คือธรรมชาติมามาบอกมาสอนจิตจิตเราโง่เราหลงอยู่เอาเอาจิตมาสอนจิตเจ้าของนะให้มันละมิดชา้าที่เทให้ได้เดี๋ยวนี้เห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวตนอยู่ตามสมมตินะทีนี้เมื่อมาถอดดู ดินก็ไม่มีเจ้าของน้ำลมไฟไม่มีเจ้าของเป็นธรรมชาติอะไรอันหนึง่งแสดงว่าก้อนสกปนกายนี่จึงไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ก่อนเราเห็นว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นมิจฉาทิฐิพอเข้าใจไหมมิจฉาทิฐิต่อมาเมื่อเรามาค้นดูถอดดูโยนิโสนมัสิการโดยยดเยีบยบใคร จะเห็นว่าเป็นเพียงธาตมาประชุมกันเฉยๆดินน้ําลมไฟมาประชุมกันธรรมชาติมีเจ้าของไหมฮะทั้งหลังได้เย็นไหมแล้วมีเจ้าของไหมธรรมชาติไม่มีนี่ธรรมชาติคืออากาศช่องว่างคืออากาศไม่มีดินไม่มีน้ําลมไฟอากาศวิญญาณก็เป็นธรรมชาติเข้าใจไม่มีเจ้าของธรรมะไม่มีเจ้าของธรรมชาติ เมื่อเอาทีนี้ไม่มีเจ้าของมันเกิดมาได้ยังไงเนี่ยเอาใครพอนึกออกก่อนสนกลไกรมันเกิดได้ใหญ่มาได้ยังไงต้องตามหาต้นเหตุนะเหตุมายางไหนธาตุดินนี่มาเกิดเป็นตัวเราอย่างไงได้ยังไงธาตุน้าเกิดมาจากธาตุพ่อกับธาตุแม่พอนึกออกไหม ธาตุโมคือธาตุดินคือธาตุพ่อธาตนะุนคือธาตุน้ำนาะทีคือน้ำคือธาตุแม่ธนะาตุดินยี่สิบอย่างในตัวของพ่อสมพบกันกองกันเข้ามาเป็นน้ำอสุจินะที่มาของที่มาของก้อนสนกปรกที่มาของดินมารวมกันนะ ที่มันมารวมกันมารวมกันอย่างนี้ที่แจ้งให้รู้จักว่ามารวมกันอย่างนี้ที่นี้น้ำสิบสองอย่างในตัวของแม่เรานี่ณนทีแปลว่าแม่ณาแปลว่าแม่นะเขาจึงเรียกผู้หญิงว่าแม่แม่นะน้ำสิบสองอย่างสมพบกันกองมาเป็นน้ำประจำเดือนพ่อแม่เตียงงานกันมาร่วมนอนร่วมกันแม่เป็นประจำเดือน พ่อก็เอาน้ำเอาดินไปใส่กับน้าตัวของเราคือวิญญาณวิญญาณลงมาปฏิสนธิในครรภ์ของแม่อันนี้จึงมาอาศัยธาตุน้ำธาตุดินจากพ่อธาตุน้ำจากแม่อาศัยลมหายใจจากท้องแม่อาศัยความอบอุ่นในตัวแม่มาเลี้ยงเอา ดินน้ำลมไฟจึงเจริญเติบโตออกมาคลอดออกมาคลอดออกมาถ้าไม่ถึงเวลาคลอดเบ่งยังไงก็ไม่ออกนะสำคัญอยู่นะถ้าถึงเวลาแล้วมันออกเองนะธรรมชาติเนะี่ยคลอดออกมาจากท้องแม่เข้าใจไหมละ่ะเนี่ยก้อนนะก้อนโมนะเนี่อ่าเรียกว่าทัดพอ่พอทาดแม่ได้มาจากพ่อจากแม่เข้าใจไหมละ่ะมันมารวมกันอย่างนี้ มารวมกันแล้ววิญญาณมาอาศัยอยู่คลอดออกมาเขาจึงตั้งโลกเขาตั้งชื่อสมมุติว่าชายว่ายิงว่าท่าลหนุ่มสาวแก่ไปตามสมมุติไปตามกาลเวลาไปเรื่อยๆเรายึงมีก้อนสกลกายขึ้นมาจึงมาสมมุติว่าสัตว์ว่าคนว่าตัวว่าตน ว่าเราว่าเขาทีนี้ดินน้าลงไฟเป็นธรรมชาติแต่คนมาสมมติว่าสัตว์ว่าคนว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาเข้าใจไหมล่ะเลยมาย่อสมมติว่ากายกับใจสมมติว่าขันห้าเนี่ะเรามาหลงขันห้านี่แล้วเข้าใจไหมล่ะหลงว่ากายก็ ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐินะกายก็คือสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าผู้ใดเป็นเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องว่ากายก็สักแต่ว่าดินน้ำลมไฟมารวมกันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงสัมมาทิฏฐิเข้าใจไหมลบมิจฉาทิฏฐิลบความเห็นผิดออกแต่ก่อนเราถือตามสมมติบัญญัติ สมมติบัญญัติก็มีคือเก่ามีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ถ้าเป็นปรมัดบัญญัติเลยเถอะเป็นปรมัดธรรมไม่มีเป็นธรรมชาติเข้าใจไหมเป็นธรรมชาติด้วยกันหมด่ก้อนธาตุก้อนธรรมเรียกว่าก้อนอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมธรรมที่ไม่มีเจ้าของนะก่อนนี้แต่เราถือตามสมมุติ นี่แหละเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอาทยตนาภายนอกภายในมากระทบกันเกิดความรู้ขึ้นก็เรียกว่านามเกิดนามสีเกิดขันห้าเกิดกับดับพร้อมกันผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิก็เลยมาถือเอาตามสมมติบัญญัติว่าเราเห็นรูปใช่ไหมล่ะ เราได้ยินเสียงเราได้กลิน่นเราได้รสจึงเกิดกำหนัดยินดียิน้ายขึ้นมาเกิดกำหนัดเกิดขัดเคืองขึ้นมาจึงเกิดความโลภความโกรธเมื่อเกิดความโลภโลภไม่ได้โกรธก็นี่แหละทุกขเข้าใจไหมล่ะนี่แหละทุกเกิดขึ้นอย่างนี้ทุก ปัจจุบันนี่นะเนี่ยขันห้ามันเกิดเพราะนึกออกไหมล่ะทุกทั้งหลายย่นย่อลงมาอยู่ขันห้าอยู่ขันห้าลงมาอยู่นามสี่ลงมาอยู่ใจดวงเดียวใจถ้าใจเป็นอวิชชาเป็นมิจฉาทิฐิก็ไปยึดไปหลงเอาขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อขันห้า เกิดดับหรือขันห้าทำงานก็จึงไปอุปทานโอขันห้าว่าโดยย่ออุปทานขันห่านั่นแหละคือทุกถ้าไปยินดีพอใจเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นก็เกิดความกำหนัดคือสุขคเวทนาก็ว่าลาคะก็เกิดใช่ไหมละ่ะอันเดียวกันพ่อเข้าใจไหมไหนี่หละ สัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมันเป็นของู่กันพอนึกออกไหมถ้าบุคคลใดยังมาเห็นกายกับใจคือขันหานี่แหละเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเดี๋ยวนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นสัมมาทิฏฐิงะ นี่มนไม่ไกลได้สัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิต่อเมื่อบุคคลใดมาเห็นว่ากายหรือขันหันว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่เลยก็เป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักสมั i, มม า, าทิฏฐิมิจฉาฉาทิฏฐิไหมพอพอเข้าใจนิดหน่อยไห้หลังเอ้า อันนี้ถ้าคนไหนละสักายะทิฏฐิวิกิกิจชาศิลพัทปรมาตได้ก็ได้เป็นพระโสดาบันนี่สัมมาทิฏฐิขั้นต้นเขาใจไหมละสกายะทิฏฐิวิกิกิจชาศิลพัทปรมาตได้ก็ได้เป็นพระโสดาบันองค์สุดท้ายนะสัมมาทิฏฐินี่ทุกมันเกิดอย่างนี้นี่เห็นทุก ทุกเพราะขั้นห้าเกิดดับขันห้าเนี่ยมันเกิดเองดับเองมันทุกของมันเองอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรแต่ใจของเราเป็นมิจฉาทิฐิเข้าใจไหมที่ี่นจึงไปอุปทานไปยึดว่าขั้นหาเป็นเราเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาจึง เมื่อขันห้าเกิดดับก็เลยเกิดยินดียิน้ายเกิดรักเกิดชังขึ้นมานีนะ่จึงเกิดราคาลาขันเกิดตัณหาความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาพอนึกออกไหมละ่ะละสักยทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิละมิจฉาทิฏฐิได้สัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้น นะนี่แหละคือทุกทุกทั้งหลายย่นย่อลงมาอยู่ขันห้าขันห้าเกิดแล้วก็ดับถ้าใครสำคัญตนหลงว่าขันห้าเป็นเราเราเป็นขันห้าก็ไปอุบทานขันห้าก็คือทุกขเข้าใจไหมล่ะนี่แหละทุกอส ม, มุ ท, ทัยเท่เนี่ยเข้าใจทุกไหม ทุกข์คือขันห้าเกิดดับถ้าใครไปอุบทานขั้นห้าว่าหลงว่าขั้นห้าเป็นมิจฉาทิฐิหลงว่าขั้นห้าเป็นเราเป็นตัวตนของเราก็ไปอุบทานขั้นห้าก็เกิดทุกข์เข้าใจไหมทีนี้นี่แหละทุกข์ในอริยสัจสี่ทุกข์ในปัจจุบันนี่นะเกิดแล้วก็ดับเท่านั้นขันห้าเมื่อบุคคลใดมาเป็นสัมมาทิฐิเห็นว่าขั้นห้า ว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขันห่ามันทํางานอยู่ตาเห็นรูปมันก็ทํางานหูได้ยินเสียงก็ทํางานอยู่ตลอดวันไม่มีใครไปยึดไวปถือเอาก็เรียกว่าเรียกว่ายัางไงฮะเรียกว่ามิโลดดับทุกข์ได้ดับทุกข์ไ ด, ด, ทได้ที่ว่าสมุทัยที่ไหนสมุทยัยสมุรากัพท์เดิมมาจากคําว่าสมมตินะ พากันจำออกให้ดีนะลากสับเดิมเขาองว่าสมุนนี่มาจากสมุรทำไมจึงเรียกว่าสมุรมันกว้างมันกว้างมากเหมือนทะเลมหาสมุทรเข้าใจไหมจึงไปตั้งว่าสมุดสมุดคือสมุรลากสับเดิมมาอย่างนี้นะสมุด ไ, ไทยไทยแปลว่าใจใจไป อุปทานเอาปบยึดไปถือเอาสมุิเรียกว่าสมุดไทยได้ไหมฮะนี่ใกล้ๆนี่นะสมุดไทยไม่ใช่สมุดสมุสมิทั้งหลายย่นย่อลงมาอยู่กายกับใจนี่ยดินน้ำลมไฟสมุติออกจากกายผมขนเล็บฟันสมุิออกจากกายตาหูจมูกลินสมุติออกจากกาย อาการสามสบสองก็สมมุติออกจากกายนะเนี่ยสมมุติทั้งหลายย่นย่อลงมาเหลืออยู่กายกับใจเหลือขันห้าพูดง่ายๆใจหลงขันห้าใจหลงขันห้าใจอวิชชาใจโ ง, ง, ง่ใจหลงใจรู้ไม่จริงจึงไปยึดถือเอาขันห้าเรียกว่าสมุติทยัยสมุติทยัย เข้าใจไหมไทยไปไว้ใจใจไปยึดเอาถือเอาสมมุติสมมุติคืออะไรสมมุติทั้งหลายคือขันห้าใช่ไหมใจไปหลงขันห้าแลยไปยึดเอาขันห้าว่าเป็นเราเป็นของของเราก็เรียกว่าสมมติไทยเหตุเกิดทุกข์เพราไปยึดเอาอย่างนี้เมื่อตายเห็นลูกก็ คิดว่าเราเห็นทันทีใช่ไหมล่ะเพราะว่าไปหลงว่าไปยึดว่าคันหาเป็นเราเป็นของของเราเพราะว่าคันหาทำงานก็ว่าเราทำงานเราเห็นเราได้ยินก็เกิดตำหนัดขัดเครืองยินดียินไายเกิดรักเกิดชังขึ้นมาเกิดราคาตันหาขึ้นมาสุขเวทนาทุกขเวทนาเากาเาิด ข, ขึ้นมาอันนี้เรียกว่าสมุทยัยเหตุเกิดทุกข ถ้าใครรู้ว่าขันห้าไม่มีสัตว์บุคลตัวตนเราเขามันเกิดมันดับวั น, น, นละร้อยครั้งพันครั้งไม่ไปยึดไปถือเอาจะเกิดความรักความชังขึ้นมาไหมฮ ะ, ฮะนะนี้แหละก็ดับทุกได้เรียกว่านิโรธมันไม่อยู่ไกลหรอกนิโรธสมุทยคือใจไปยึดเอาสมมุติ สมมุติทั้งหลายคืออะไรฮะสมมุติทั้งหลายย่อลงมาเหลืออยู่ขันห่าใจไปอุปทานขันห่านั่นแหละคือทุกเรียกว่าสมุเหตุเกิดทุกเรียกว่าสมุไทยเข้าใจไหมล่ะที่เนี่ยเมื่อใจรู้ว่าขันห่าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็เรียกว่าดับทุกได้ขันห่ามันจะเกิดทํางานวันละร้อยครั้งตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงทวานใดทวันหนึ่งอยู่ ก็ไม่มีเจ้าของไม่มีใครไปยึดไปถือเอาก็ทำที่สุดแห่งทุกได้คือนิโรธปัญญาที่มารู้เท่าเอาทันอันนี้ได้มาจากมัสมีองเปรได้แก่สัมมาทิฏฐิพอนึกออกไหมสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิใน ที่เราไปท่องเอาในมรรคแปดนะสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี้ก็แยกออกเป็นสองอย่างเหมือนกันนะเคยได้ยินไหมหละนะ่ะฮะสัมมาทิฏฐิโลกิยะไม่มีแต่โลกุตระนะสัมมาทิฏฐิโลกิยะเคยได้ยินไหมข้างหลังอ่าได้ยินไหมหละ่ะ ส ม, มาทิฏิโลจียะคือยังไงคือสั ม, มาทิฐิที่มีอาสวะอยู่ที่มีกิเลสอยู่นะแต่เป็นส ม, มาทิฏฐิทางบุญไม่ใช่ทางบาปเขาเรียกว่าส ม, มาทิฏฐิโลจียะอำนวยผลอำนวยวิบากผลให้กับขันห้าอันนี้ทำบุญให้ทาน เข้าไปเท่าไรยังมีความเห็นว่าขันห้าเป็นเราอยู่ทำบุญให้ทานรักษาศีลเท่าไรก็ตามยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่แต่เป็นฝ่ายบุญนะยังยังอํานวยผลให้ขันห้าทําให้ขันห้าเวียนไหวได้เกิดอยู่อีกเรียกว่า สัมมาทิฏฐิโลกิยะหรือสัมมาทิฏฐิที่มีอาสวะอยู่เข้าใจไหมล่ะอันที่สองสัมมาทิฏฐิโลกุตตะละสัมมาทิฏฐิโลกุตตะละคือสัมมาทิฏฐิที่เหนือโลกนี่ขึ้นไปเหนือขันหะขึ้นไปเห็นละความเท็จผิดได้แล้วว่า ขันห้าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเพื่อหลุดพ้นจากขันห้าเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิอริยะสัมมาทิฏฐิที่มีอาสวะก็เรียกนะคือสัมมาทิฏฐิทางโลจิยะยังเป็นอํานวยผลให้กับขันห้ายังเวียนไหวใ้เกิดอยู่เป็นบุญเป็นบุศล ทำบุญให้ทานรักษาศีลก็ให้ขันห้าขันห้าจึงได้บุญได้กุศลกลับมาเยี่ยนหยาหวใจเกิดอยู่อีกสัมมาทิฏฐิที่เป็นไม่มีอาสวะหรืออริยะนะั่นโลกกตระละนะนะั่นนะสัมมาทิฏฐิที่ประกอบด้วยมัตตมีปัญญีโพชฌงโคนั่นนะเป็นหลักสัมมาทิฏฐิอริยะ อันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิโลกุตตะละอันนี้ก็พูดเรื่องสัมมาทิฏฐิความเห็นมาให้เราท่านทั้งหลายไม่ไม่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวเราหมดเห็นว่าบุญมีบาปมีก็อยู่นี่เห็นว่าไม่มีสัตบุคคลตัวตนก็อยู่นี่หลงว่ามีสัตบุคคลตัวตนก็หลงอ่ที่นี้นะ สัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นอันสุดท้ายนะจะพูดสัมมาทิฏฐิอันสุดท้ายสัมมาทิฏฐิสุดท้ายสัมมาทิฏฐิอันสุดท้ายก็คือสัมมาความรู้ปัญญาความปัญญาความรู้ความเห็นอันสุดท้ายนะก็ต้องมารู้จักอาสวะ เพราะเรามาภาวนาเพื่อจะให้สิ้นอาสวะกิเลสใช่ไหมความเห็นต้องมารู้จกักอันสุดท้ายให้รู้จักอาสวะอาสวะคืออะไรสุดท้ายแล้วนะเนี่ยนะอาสวะคือกิเลสใช่ไหม เราต้องบอก4อย่างซะก่อนหนึ่งต้องรู้จักอาสะวะสองเหตุเกิดอาสะวะสความดับอาสะวะสะ่ปัญญาที่นำมาดับอาสะวะเรียกว่าอาริยสัจว์่อันสุดท้ายนะที่เราจะพ้นจากโลกนี้ไป อาสะวะคืออะไรต้องมาแปลซะก่อนเห็นต้องรู้จักอาสะวะเหตุเกิดอาสะวะความดับอาสะวะวิธีแนวทางเพื่อปฏิบัติดับอาสะวะ4ี่อย่างนี่แหละเรียกว่าอาริยสัจสี่ขั้นสุดท้ายนะพอจำได้ไหมรู้จักอาสะวะเหตุเกิดอาสะวะ ความดับอาสวะแนวทางปฏิบัติเพื่อดับอาสวะนี่แหละยอดของมัน <c oughs> อาสวะรู้จักอาสวะอาสวะคืออะไรทีนี้เอาตอบได้ไหมคืออะไรอาสวะอาสวะคือกิเลสที่นอนเนื่อง อยู่ในกิตตสันดานของเราอาสะวะเคยกิเลสที่หมักหมมดักมุดดองนอนอยู่ดองอยู่ในกิตตสันดานเขาเรียกว่าอาสะวะท่านเรียกว่าอาสะวะอืมอาสะวะนี่มีอยู่อาสะวะจะมีอันหนึ่งนะคู่กับอาสะวะที่ท่านเรียกอยู่อนุใสเคยได้ยินไหมอนุใสอนุใสสาม อนุสัยก็คือกิเลสเหมือนกันที่หมักดองอยู่ในจิตสันดานของเราคู่กันกันกบอาสวะเรียกอาสวะก็ถูกอนุสัยเรียกอนุสัยก็ถูกอาสวะเพราะว่าเป็นกิเลสอย่างเดียวกันรู้จักอาสวะเนี่ยอาสวะคือกิเลสนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานของเราจำได้แล้วนะมีอยู่ สามอย่างหนึ่งกามาสะวะสองพวาสะวะสามอาวิชาสะวะสุดท้ายกิเลสสามมาทิฏฐิขั้นสุดท้ายดูจักอสะวะรค์จำได้ไหมกามาสะวะพวาสะวะอวิชาสะวะคู่กับอนุสัยสาม ราคานุสัสปฏิคานุตใสอวิชานุสัสเรียกใช้แทนกันได้สุดวหารวหารของพระสูตรก็พูดไปอธิบายพอให้เราท่านทั้งหลายเข้าใจนะพูดแงนี้ไม่เข้าใจพูดเรื่องราคาคงจะเข้าใจนี่มันมีสามอย่างเท่ากันนะ เฮเกิดอาสะวะเพราะอาวิชชาเกิดอาสะวะจึงเกิดง่ายไหมทีนี้ อ, อวิชชาคืออะไรคือมิจฉาทิฏฐิคือความหลงผิดความรู้ไม่จริงหลงว่าขันห้านี่แหละเนี่ยไม่ไปหลงที่อื่นหรอกว่าเป็นตัวตนสัตว์ุคนเราเขาเนี่ยเนี่ยมันไม่อยู่ที่อื่นนะ เมื่อได้เห็นรูปจึงเกิดลาความยินดีพอใจขึ้นมานี่เขาเรียกว่าลาคานุสัยตามนอนเข้าใจไหมล่ะเมื่อหูได้ยินเสียงเขาว่าเกา่านินทาว่าเก่าวสาบแช่งเกิดอ น, นิทะลมคือทุกขเวดาร่านะี้ยินดีพอใจก็ปฏิคานุสัยตามนอนอเมื่อไม่รู้รู้ไม่เท่ากันหน้า หลงว่าขั้นหามีสัตว์บุคคลตัวๆนอยนั่นก็เรียกว่าอาวิชานุใสตามนอนง่ายไหมพอพอก็อง่ายเขามาใหม่เถอะนะฮะมันไม่อยู่ไกลหรอก <c oughs> นี่แหละสัมมาทิฏฐิขั้นสุดท้ายต้องมารู้จักอาสวะเหตุเกิดอาสวะความดับอาสวะวิธีดับวิธี ดับอาสวะก็มรรคแปดกิเลสอย่างละเอียดเอาพอเข้าใจไหมสัมมาทิฏฐิขั้นสุดท้ายก็มารู้จักอริยสัจสี่คือมารู้จักหนึ่งรู้จักอาสวะสองเหตุเกิดอาสวะสามความดับอาสวะสี่แนวทางเพื่อปฏิบัติ ด, ดับอาสวะนี่แหละสัมมาทิฏฐิคือ ความเห็นสีอนนะอนส่อย่างนรู้อริยสัจสีนี่สี่อย่างนี่คือสัจจะคือความจริงถ้าเราได้ทำสี่อย่างมาประกอบเอาไ ว, แว้แล้วเราก็ดับอาสวะกิเลสที่ท่านว่ากามาสะวะพะวาสะวะอวิชชาสะวะคงพอเข้าใจนะกามาสะวะ เกิดจากตาอายตนะภายนอกภายในกระทบกันวิญญาณรู้ขึ้นพอรู้ขึ้นถ้าก็มีอารมณ์สองเกิดจิตสเสวยอารมณ์ก็เรียกว่าเวทนาวิญญาณรู้ขึ้นอายตนะภายนอกภายในกระทบกันที่แรกนะวิญญาณตารู้วิญญาณทั้งหกนั่นนะมารู้ขึ้น ก็เรียกว่านามขันห้าเกิดถ้าใครเป็นมิจฉาทิฏฐิก็มายึดถือเอาก็เกิดกามลาคะคือยินดีพอใจในกามทังห้าขึ้นมาก็เรียกว่าลาคานุสัยตามนอนหรือกามลาคะหรือรอว่านี่แหละอนุสสามหรือเอา ไม่ไไม่ได้อยู่ที่อื่นนะอาสะวะสามกนนีนะกรรมมาสะวะก็คู่กันกับราคานุสัยปฏิคาสะวะหรือผาวาสะวะหรือราคานุัสก็เป็นคู่กันอวิชานุัสก็เป็นคู่กันแสดงว่าเราดับอันนี้ได้ก็สิ้นอาสะวะกิเลส ดับทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้สิ้นอาสาวกิเลสถ้าสิ้นอาสาวกิเลสแล้วจะไปไหนอะไรที่ไฮะไปเป็นอะไรไปเป็นธรรมชาติฉะนั้นเวลาเราเข้าใจว่าอันนี้เราเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ดับโลกดับกามสวะพระาสวะอวิชชาสวะ คืนคืนรูปทำนาท้ำทำไม่ต้องไม่ยึดไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราเข้าใจไหมล่ะสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องมันเป็นธรรมชาติเราก็คืนธรรมชาติให้โลกเขาเสียคืนดินน้ำลมไฟให้ธรรมชาติเขาไปคืนวิญญาณให้ธรรมชาติไปเราก็จิตของเราก็หลุดพ้นจาก อาสวะกามาสวะพวาวสวะอวิชชาสวะแตะ่กามมันมีขั้นละเอียดมีถ้าถ้าขั้นละเอียดมีขั้นหยาบก็ต้องมีใช่ไหมขั้นหยาบมีขั้นกลางมีมรเปรตนี่เป็นเครื่องตรบับกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ย กิเลสขั้นยาบคือโลภโกหลงมันจะเกิดจากทวารไปละเมิดทางทวารทั้งสามทวารทั้งสามรู้ไหมเหรททวารทั้งสามฮะนึกออกไหมกายทวารวจีทวารโมโนทวารบาปอากุศลทั้งหลายจะไปล่วงละเมิดด้วยทวารทั้งสามนี เป็นกิเลสอย่างหยากท่านให้เอาศีลปราบศีลปราบกิเลสอย่างหยากอันได้แก่โลกโกหลงออกจากกิจจากใจสมาธิปราบกิเลสอย่างกลางได้แก่นิวรณ์ธรรมห้าออกจากกิจจากใจปัญญาปราบกิเลสอย่างละเอียดอันได้แก่อุปธิ ตัวอุปธิที่นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานเรียกว่ากิเลสอย่างละเอียดออกเราก็จิตของเราก็สว่างสวัยผ่องใสเป็นธรรมชาติเสวยวิมุตติสุขอยู่ชั่วการละนานอ่าให้พักันจำเอาไว้ได้ที่นี่หน้าที่ของชาวพุทธที่ว่าพูดต่ออีกนิดหน่อย หน้าที่ของชาวพุทธต้องหนึ่งให้ทานสองรักษาศีลสามภาวนาทานก็คือจาระความตันหนีแนวแน่นออกจากกิจจากใจศีลก็คือรักษาศีลห้ากุศลกรรมบสิบไดนะ้ภาวนาก็ทำได้สองใหญ่ ภาวนาแปลว่าหนึ่งทำจิตให้สงบสองทำจิตให้เกิดปัญญาทานศีลภาวนานี่แหละคือทางดำเดนินเดินเข้าสู่พระนิพพานหรือเรียกว่ามรรคแปดเหมือนกันนะเนี่ยนะเราถ้ามีทานอย่างเดียวศีลคือกายกายของเราไม่บริบูรณ์มีสเบียงทานเปรบเสมือนทับสเบียงนะคนจะเบนเดินทางยาวข้าไกลต้องมีสเบียง ไม่มีสเสบียงไปไม่ได้กายดีอยู่ศีลคือกายของเราภาวนาคือปัญญาคือตาถ้ากายไม่ดีมีสเสบียงอยู่ก็ไปไม่ได้มีเสบียงอยู่กายดีอยู่กินอาหารได้อยู่แต่ปัญญาไม่มีไม่รู้จักทางไปก็ไม่ถึงพระนิพพาน ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายต้องทําทานศีลภาวนาประกอบกันเรียกว่าปฏิสัมพันธ์สัมพันธ์กันขาดอย่างใดไม่ได้ไม่ถึงพระนิพพานทานศีลภาวนาถ้าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระก็พระคุณเจ้าพระคุณท่านทั้งหลายก็ศีลสมาธิปัญญาคือทางเข้าสู่พระนิพพาน หน้าที่ของชาวพุทธก็มีทานศีลภาวนาเท่านี้ทางดำเนินเดินออกจากทุกข์เข้าสู่พระนิพพานาได้ยินว่าจะพานั่งสงบสติอารมณ์สักสิบนาทีใช่ไหมเอาอย่างนั้นก็ทำเลยเวลามันไล่เราแล้ ว, ลวได้ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวนี้เอานั่งคัดสมาธิจะพา นําบอกวิธีภาวนาสักหน่อยอืนั่งยังไงก็ได้เรายอนขาก็ได้ใช่ไหนะมนั่งตามสบายน ะ, ะข้อสําคัญคือให้จิตสงบเท่านั้นที่จริงหลักมันก็คือนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวตรงๆไม่ก้มไม่เงยไม่เอียงซ้ายเอียงขวา ตั้งตัวตรงๆดำรงจิตให้มัน่นแล้วก็นำเอาอาณาปานสติเป็นคำบริกรรมคำภาวนานะอาณาปานสติอาณาก็แปลว่าลมหายใจเขา้าปานะก็แปลว่าลมหายใจออก สติก็แปลว่าละลึกรู้เอาสติมาละลึกรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนก็เรียกว่าภาวนาไม่ได้ทำยากอะไรแต่ก่อนเราใบหายใจทิ้งอยู่หายใจทิ้งอยู่ไม่ได้ มีสติจับเอารมณ์หายใจนะถ้าจับเอารมณ์หายใจเห็นลมเข้าลมออกไม่ในสงบก็ตามอย่าไปคาดไปหมายถ้าเห็นลมเข้าลมออกก็แสดงว่าเราเกิดปัญญาเห็นเกิดเห็นดับลมเข้าก็เรียกว่าเกิดลมออกก็เห็นว่าดับก็ได้วิปัสสนาง่ายๆแค่นี้นะ แต่ต้องให้เห็นอยู่แล้วนะเข้าออกเข้าออกเข้าออกก็เห็นอนิจจังเห็นไตรักญาณในลมหายใจเห็นไตรักญาณในขันห้าว่าขันห้าเกิดแล้วกว็ดับหรือลมหายใจเกิดแล้วกว็ดับเห็นไตรักญาณเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาถ้าดูไปดูมาจิตไม่วางจากลมลมหายใจ ไม่บางจากลมให้ายว้ใ ห, ไไหนรู้อยู่ที่ลมเข้าออกเข้าออกอยู่จมลมหายใจเบาลงเบาลงท่านเรียกว่ากายและหุลมหายใจเบาลงกายและหุลมหายใจระงับดับลงก็เรียกว่ากายละงับเพราะเราก็จะเห็นตัวพุโทโธคือผู้รูููู้ปรากฏขึ้น ตัวรู้ตัวนี่แหละเรียกว่ายิน ญ, ญาณวิญญาณที่ลงมาอาศัยอยู่ในตัวของเรานีนะ่มันจะแยกตัวออกไปเป็นเอกเทศเป็นเอกาทิพโวแยกออกเป็นหนึ่งเดียวลอกตัวอยู่รู้เฉยรู้เฉยก็แสดงว่าเราได้สมถะหรือเราได้เกตโตวิมุตจิต ด, ดับขันห้าหลุดพ้นจากขันห้าชั่วสมาธิคมไ้ เราจะเห็นว่าจิตว่างสว่างสวัยผ่องใสเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นมีแต่รู้เฉยรู้เฉยท่านเรียกว่าวิมุตต์จิตหลุดพ้นจากขั้นห้าเรียกว่าเจโตวิมุตต์หรือเรียกว่าวิคขำพนวิมุตต์หลุดพ้นชั่วชานสกุไว้จิตสะกุกไว้ก็เรียกว่าได้สมถะขึ้นมา เราก็จะได้เห็นพุทธธรรมสงภายในเห็นจิตเป็นผู้ลูเป็นธรรมชาติอยู่ก็เรียกว่าเห็นพุทธธรรมสง์ภายในได้สารณะที่พึ่งอันประเสด็จเกิดมาไม่เสียชาติเกิดถ้าผู้ใดยังไม่เห็นพุทธธรรมสง์ภายในเห็นจิตแท้ใจเดิมไม่มีสารณะที่พึ่งไม่มีอัตตาหิอัตโนนาโทตนเป็นที่พึ่งของตนกว่าทําใจให้สงบเป็นพุทโธธรโมเนี่ยนะเป็นที่พึ่งของใจได้ ผู้นี้ก็ได้สารณะที่พึ่งอันเปรศ เ, เกิดมาไม่เสียชาติเกิดนะไม่ใช่บุรุษไม่ใช่สตีผู้เปล่าประโยชน์เกิดมาไม่เสียไม่มีประโยชน์เดีก่อนพอมาเห็นพุทธชัม์เป็นสารณะที่พึ่งนะพึ่งได้ยังไงจิตเป็นผู้รู้รู้รู้ายไม่เป็นเป็นธรรมชาติท่านเรียกว่าอมตะจิตอมตะธาตุอมตะธรรม ทำที่ตายไม่เป็นเราก็เอาจิตของเราเมื่อใจจะขาดธาตุจะแตกก็เอาจิตของเราไปอยู่กับพุทโทธรรมโอสังโฆนด้เองกําจัดภัยได้จริงจิตของเราก็จะสวยสุขอุโบสถปาติกาขึ้นไปสวรรค์ชั้นเทพชั้นพรมหรือถ้าไปเห็นอยู่ศูนยตาเอาจิตอยู่ศูนยตาให้ได้ ว่างเปล่าเป็นธรรมชาติเเข้าสู่พระนิพพานไปเลยนะอันนี้เรียกว่าสมถะเมื่อจิตเข้าสมาธิอิ่ตัวแล้วมันจะถอยออกมาเองเหมือนกับเรารับประทานอาหารหรือกินน้ำนี่แหละกินอิ่มมันออกมาเองจิตจะถอนออกมาเมื่อจิตถอนออกมาเราก็เอาจิตไปพิจารณาดูกายของเราให้เห็นตามความเป็นจริง ให้เห็นว่าแต่ก่อนเราเห็นว่ากายของเรานี่แหละมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในนั้นแล้วก็มาแยกธาตุแยกขันธ์ออกให้จิตเราดูน้ํำยอกเอาน้ําบ่งจิตหลงเอาจิจแก่เอาจิตแก้จิตสอนจิตอบรมจิตจนจิตเห็นว่ากายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานนัอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะีะใจก็สักแต่ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา แล้วก็จะเห็นขั้นห้ารูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอยู่นี้ถ้าใครไปกำหนัดขัดเครืองในขั้นห้าก็เรียกว่าได้คนใดบุคคลใดยังมีกำหนัดขัดเครืองในโลกในอารมณ์ในขั้นห้าจิตของเราก็เป็นโลจิยะจิตถ้าจิตอันใด ดูเท่าเอาทันขันหาว่าไม่มีสัตว์บุคคลไม่กั้นัดไม่ขัดเครื่องไม่ยินดีไม่ยินไลยนั่นแหละในโลกในอารมณ์ในขันห่าจิตนั่นก็จะเป็นโลกุตระจิตคือพันิพานเป็นอารมณ์พันิพานเอานี่แหละอาณาปานสติบุคคลใดจเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ หลุดพ้นจากขั้นห้าสิ้นอาสวะเนี่ยอาสวะกิเลสในทิฏฐธรรมนี้หรือในชาตินี้เนี่ยอ่าร่างได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาลชนนี้